ดูว่าหนูก็ปฏิบัติมาที่ว่าค่ะหลวงตาก็สองเดือนใช่ไหมคะพอเข้าเดนที่สามก็เริ่มจะแบบเหมือนเราจําจําเยอะอ่ะค่ะจำจำแล้วก็มาตอบมาตอบหลวงพ่ออย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ต่อมาก็จะมีอาการปวดหัวปวดชาแบบมันร้อนหัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอกลับมาก็ไปเข้าปฏิบัติธรรมอีกที่หนึ่งก็ไปเข้าคอร์สแล้วก็ พระอาจารย์ที่หนูไปเข้าเข้ากรรมฐานด้วยท่านบอกว่าสิ่งที่หนูพูดมาทั้งหมดเป็นบัญญัติอะค่ะก็เลยให้หนูเข้ากรรมฐานอยู่ประมาณเจ็ดวันค่ะก็หลังจากนั้นก็เข้ากรรมฐานมาแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าปวดหัวไม่มีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะก็ไม่อยากไม่อยากฟังธรรมไม่อยากอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เข้าเข้าไปที่ที่พิจิตอีกอะค่ะพอดีช่วงนั้น เออพ่อแม่แล้วก็แม่สามีไม่สบายตอนนี้ก็เลยต้องมาดูแลท่านแล้วก็ธรรมะก็เลยยังไม่อยากฟังอะคะ่ะเพราะว่าถ้าไปฟังก็จะมีอาการปวดหัวร้อนหัวอีกหนูก็เลยพักมาช่วงหนึ่งอะคะ่พะพอช่วงนี้พอเริ่มแบบอาการปวดหัวเรื่องอะไรเนี้ยเริ่มเบาลงก็เลยอยากจะจะเริ่มกลับมาปฏิบัติธรรมอีกรอบอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะทีนี้จะเริ่มต้นอย่างไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาหนูไม่ทราบว่าไปปฏิบัติผิดไหมหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะคะือเวลามันมี มีอาการมันมีอาการเกิดขึ้นเราคอยจะไปยุ่งกับอาการเป่นปวดหัวหัวร้อนหรือเป็นเวทนาตามร่างกายต่างๆเนี่ยหรือเป็นเวทนาทางใจ mm. มันไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายแน่นอิดอัดทึบตื้อหรือโป่งโล่งเบาสบายต่างๆเนี่ยเราคอยไปสนใจแต่ อาการต่างๆนั้นซึ่งเรียกว่าธรรมลมหรือเป็นอายาทนะภายนอกถ้าเราปฏิบัติโดยไปสนใจแต่เวทนาทางกายเวทนาทางใจซึ่งเป็นธรรมลมเซึ่งเป็นอายาทนะภายนอกมันจะปฏิบัติโดยการส่งจิตออกนอกการส่งจิตออกนอกมันเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลเองการส่งจิตออกนอกเป็นทุกข์ เราจะเดินทางไปในฝ่ายของฝ่ายทุกข์ ก, กสมุทัยฝ่ายทุกข์กสมุทัยตลอดวิธีแก้คือเราจะต้องเข้าหามร ก, กนิโรธคือจิตเห็นจิตยังแจ่มแจง้งเป็นมรผลหนึ่งจิตเห็นจิ ต, จตยังแจ่มแจง้งเป็นนิโรธอริยศาสี่มันมีอยู่สองคู่คือ ค, คู่แรกก็คือทุกขกสมุทัยนั่น toda. ของเราเนี่ยเดินทางอยู่ในฝ่ายของทุกขกสมุทัยไม่ได้เดินทางอยู่ใ น, ค, น, น, ในคู่ของ ฝ, าฝา่ายมรอริย ม, มกรกนิโรธ อริยมรรคกับนโรธก็คือเห็นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลนี้จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธนีน่การเดินทางในฝ่ายฝ่ายทุกขก็สมุทยัยเดินทางอย่างไรก็คือเมื่อเราไปกระทบเนี่ยเมื่อจิตวิญญาณขันเนี่ยไปรู้หรือไปกระทบกับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ธรรมอารมณ์ตึงเรียกว่าเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตวิญญาณขันที่ไปรู้ส่วนจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยเป็นผู้รู้เราต้องแยกระหว่างจิตกับอารมณ์ให้มันชัดเจนอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้รูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้เสียงเป็นสิ่งที่ถูกรู้กลิ่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้รสเป็นสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่มาสัมผัสกายหรือเรียกว่าผลตะปาเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ธรรมอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารเป็นธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผตพะแล้วก็ธรรมอารมณ์เป็นอาญตนาภายนอกเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตหรือวิญญาณขันส่วนจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยเป็นผู้รู้เวลาเรารู้อารมณ์อะไรกันทุกขณะปัจจุบันเนี่ยขณะที่รู้อารมณ์ในทุกขณะปัจจุบันเนี่ย ให้รู้อยู่ที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งอย่าไปสนใจให้ใหค่ายความสาคัญต่ออารมณ์ที่ถูกรู้หรืออายตนะภายนอกที่ถูกรู้มันจะส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลเองจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นผู้รู้จิตวิญญาณขันผู้รู้ที่ทำงานร่วมกับเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารจิตวิญญาณขันเนี่ยเมื่อไปรู้อารมณ์ใด ในขณะปัจจุบันไม่ว่าจะรู้รูปรู้เสียงรู้ขินรู้รสรู้สัมผัสหรือรู้ธรรมาลมรู้เวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นธรรมลมจิตวิญญาณาขันเนี่ยก็จะทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารเรียกว่าเจตสิกธั้นพริธรรมเนี่ยก็จะมีสอนอยู่ก็คือรูปจิตเจตสิกดิพานรูปก็คือร่างกายจิตก็คือ วิญญาณาขันธ์เจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็นิพพานนิพพานก็คือจิตเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้หรือธาตุรู้ที่เป็นมีแต่ความรู้แล้วคุณสมบัติของเขาตัวตนไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพรรณสถานใดๆมีแต่ความว่างเปล่าหรือเรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์คืออันนั้นเนี่ยพ้นจากความหลงจิตบ้านถือมัน่น ในขันห้าติดอุปทานกันหน้าตอนนี้เวลารู้อะไรเนี่ยทุกขณะปัจจุบันเนี่ยเมื่อไปรู้อารมณ์เมื่อจิตวิญญาณขันรู้อารมณ์ให้รู้ที่จิตรู้ที่จิตวิญญาณขันที่ทํางานร่วมกับเจตสิก ค, คือเวทนาสัญญาสังขาร น, นี้จิตเนี่ยเวลาไปรู้อารมณ์เนี่ยเขาจะทําหน้าที่รู้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวที่ทําหน้าที่รู้แล้วก็จะประกอบเอาเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย จะเข้ามาประกอบทันทีเจตสิกเนี hmm. class, ่ยเข้ามาประกอบกับจิตหรือวิญญาณขันธ์ทันทีเมื่อเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเข้ามาประกอบกับจิตหรือเจตสิกก็จะเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ทันทีดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นของคู่กันที่ติดกันใกล้เคียงกันที่สุดก็คือจิตผู้รู้จิตวิญญาณขันธ์ผู้รู้กับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารกับอารมณ์ที่ถูกรู้เรียกว่ารู้จิตรู้ธรรมรู้จิตรู้ธรรมก็เรียกว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมเนี่ย จิตก็คือผู้รู้ธรรมก็คือธรรมอารมณ์คืออารมณ์ที่ถูกรู้ดงั้นเมื่อรู้จิตก็จะรู้ธรรมด้วยรู้จิตก็จะรู้ธรรมด้วยเพราะว่าธรรมนี่ก็คือเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารที่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตผู้รู้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราแยกได้ขาดก็คือว่าแยกจิตกับอารมณ์ได้ขาดเราก็จะหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งมวลได้คืออารมณ์ที่อยู่ ใกล้จิตที่สุดก็คือธรรมลมส่วนรูปลถกินเสียงสัมผัสเนี่ยเป็นอารมณ์ภายนอกร่างกายอันนั้นเนี่ยยังยังห่างไกลตัวแต่ธรรมลมจึงเป็นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ติดกับจิตเลยเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตเนี่ยเจตสิกคือเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตที่ไปรู้อารมณ์ดังนั้นเวลาจิตเขาไปรู้เวทนาสัญญาสังขาร เขาจะทำหน้าที่รู้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวแล้วก็จะประกอบด้วยอารมณ์ทันทีคือเวทนาสัญญาสังขารคือถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆแล้วก็ส่งต่อสัญญาจำได้ไหมรู้แล้วก็ส่งต่อสังขารคือคิดปุ่งปุงคิดเหมือนพูดอยู่ในใจคนเดียวภากอยู่ในใจคนเดียวอยู่ตลอดเวลาแสดงท่าทางแสดงท่าทางทกากะ ต่างๆมีกิริยาอาการต่างๆแม้แต่ความรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวก็เป็นสังขารในขันห้าสมาธิปัญญาก็เป็นสังขารในขันห้าพวกนี้เป็นกิริยาการทั้งหมดเป็ น, ปนแต่ขันห้5ทีนี้จิตเนี่ ย, เ, ยเขาก็จะรู้เองว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็เพิ่มขึ้นไหวตัวขึ้นภายในใจจิตวิญญาณขันเนี่ยก็จะรู้ทันทีว่ามีมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้น เมื่อเห็นจิตก็จะเห็นอารมณ์ด้วยเห็นอารมณ์ก็จะเห็นจิตด้วยเพราะว่ามันของคู่กันจิตเป็นผู้รู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่เราอย่าไปสนใจอารมณ์ที่ถูกรู้อย่าไปสนใจเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้มันจะส่งจิตออกนอกเพราะส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลให้จิตโศออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างเจ็บแจ้งเห็นจิตตรงไหนเนี่ยผู้รู้เนี่ยก็รู้ตรงเนี้อ่ะ ผู้รู้ไปทํางานไปรู้อารมณ์เสร็จแม้แต่รู้ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันก็จะเกิดจิตวิญญาณอาคารตัวใหม่เนี่ยมารู้เวทนาสัญญาสังขารตัวแรกแล้วก็จะเกิดจิตวิญญาณอาคารตัวใหม่มารู้เวทนาสัญญาสังขารตัวก่อนหน้า น, านั้นเลื่อยไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยจนกว่าจะชีวิตจะสิน้นทั้งธรรมอารมณ์และจิตผู้รู้ก็จะดับไปได้วยกันเรียกว่าขันห้าก็ดับหมด แต่ในขณะชีวิตยังไม่ตายเนี่ยว่าจิตหรือวิญญาณาขันเนี่ยไปรู้ธรรมอารมณ์รู้เวทนาสัญญาสังขารธรรมอารมณ์แล้วก็ดับไปแล้วจะเกิดจิตวิญญาณาขันตัวใหม่มารู้ธรรมอารมณ์อันเก่านั้นอันอันอันตัวแรกนั้นแล้วก็พอรู้เสร็จจิตวิญญาณาขันเนี่ยก็จะทําหน้าที่รู้เพียงเจียวดีๆแล้วก็ดับไปแล้วก็ส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารที่ทํางานคือถูกใจไม่ถูกใจไปกลางๆ จำได้หมารู้อะไรเป็นอะไรแล้วก็ส่งต่อสังขารคือคิดปรุงปรุงคิดเมื่อส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารเจตสิกแล้วก็จะเกิดเป็นธรรมอารมณ์ทันทีเมื่อเกิดธรรมอารมณ์แล้วเนี่ยตัววิญญาณขันตัวต่อไปจิตวิญญาณขันตัวต่อไปก็จะมารู้ธรรมอารมณ์ตัวก่อนหน้านั้นเมื่อจิตวิญญาณขันมารู้ธรรมอารมณ์ตัวก่อนหน้านั้นรู้เพียงเสี้ยวนาทีเดียวแล้วก็ดับไปซบเพาะส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารชุดใหม่ พอส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารชุดใหม่ก็จะเกิดจิตวิญญาณสังขารตัวใหม่มารู้ธรรมลมตัวก่อนหน้านั้นคือเวลารู้ธรรมลมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปรู้ทั้งกลุ่มเนี่ยพอจิตวิญญาณสังขารเนี่ยมารู้ธรรมรมเสร็จเนี่ยมันก็จะต้องถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆลางพอเกิดความถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆเนี่ยจิตวิญญาณสังขารตัวก่อนหน้านั้นก็จะดับไปแล้วจะเกิดจิตวิญญาณสังขารตัวใหม่ มารู้ความถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆต่อสิ่งที่ถูกรู้ในขณะนั้นแล้วก็จะต้องส่งต่อสัญญาคือจาได้หมายรู้แล้วก็คิดปรุงปงคิดแล้วก็จะต้องมีเกิดจิตวิญญาณอคารตัวใหม่มารู้สัญญาเกิดจิตวิญญาณอคติตัวใหม่มารู้สังขารที่คิดปรุงปงคิดดังนั้นจิตวิญญาณอคติเนี่ยจึงเกิดดับเร็วมากเพราะขณะที่จิตวิญญาณอคติเนี่ยมารู้ธรรมอารมณ์เนี่ย เราจะไม่ต้องพูดถึงว่ายังรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสเลยเพราะว่าแค่รู้ธรรมลมในใจเนี่ยคือจิตวิญญาณขันเนี่ยไปรู้สิ่งใดแล้วจะต้องส่งต่อถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆคือส่งต่อเวทนาเมื่อส่งต่อเวทนาแล้วจิตวิญญาณขันตัวเก่าเนี่ยเขาจะดับไปจะเกิดจิตวิญญาณขันตัวใหม่มารู้เวทนาตัวใหม่คือรู้ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจหรือเป็นกลางกล แล้วก็ส่งต่อสัญญาคือจําได้หมารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วจิตวิญญาณขันที่มารู้เวทนานั้นน่ะก็จะดับไปเกิดจิตวิญญาณขันตัวใหม่มารู้สัญญาที่จําได้หมายรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเมื่อจําได้หมารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเสร็จแล้วจิตวิญญาณขันตัวเก่าก็ดับไปแล้วส่งต่อสังขารคือคิดปุงปุ่งคิดมันภากันพูดอยู่ในใจคนเดียวแล้วจิตหรือวิญญาณขันตัวเก่าก็จะดับไปเกิดจิตวิญญาณขันตัวใหม่มารู้ อารมณ์ที่ถูกรู้อันใหม่อีกจะเลื่อยไปอย่างเงี้ยหมุนวนเลื่อยไปแล้วส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็มารู้อารมณ์อันใหม่แล้วส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นเวลาเรารู้อะไรแล้วเนี่ยมันเหมือนในใจเราเนี่ยมีการพูดการพากการตึกตองคิดนึกตึกตองปรุงแต่งพูดหรือภากอยู่ในใจอยู่คนเดียวตลอดเวลาไม่มีวันจบสิน้นไม่เคยดับได้เลยดังนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการของชีวิต เรามีความรู้อย่างนี้เพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อเห็นว่านี่มันเป็นกระบวนการของชีวิตมันเป็นกระบวนการของชีวิตคงปล่อยให้กระบวนการของชีวิตเขาดําเนินของเข้าไปตามปกติตามธรรมชาติของเขากระบวนการของชีวิตเหล่านี้ไม่ได้เป็นกิเลสขอย้ําว่ากระบวนการของชีวิตซึ่งเป็นขันห้าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นกิเลสเขาเป็นแต่กระบวนการของชีวิต ที่มีการส่งการรับรู้ทางจิตวิญญาณาขันแล้วส่งต่อกระบวนการไปเรื่อยๆส่งต่อไปยังเจตสิกคือเวทนาสัญญาสัางขารก็ทํางานุนวนไปงี้ทําให้ชีวิตดําเนินอยู่ได้ดังนั้นกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การรับรู้วิญญาณาขันเนี่ยจิตวิญญาณาขันไปรับรู้อันนี้นเป็นกระบวนการทํางานของขันห้าตามปกติของชีวิตบอย้าว่าเป็น ปกติของชีวิตตามปกติตามธรรมชาติของชีวิตไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาอะไรไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นนิพพานอะไรทั้งไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาแล้วทั้งไม่ได้เป็นนิพพานเหตุใดเล่าซึ่งจะต้องบอกอย่างนี้ก็เพราะว่ามีหลายคนที่เข้าใจผิดและปฏิบัติปฏิบัติผิดไปปฏิบัติที่ขันห้าเพื่อจะให้เป็นนิพพานที่ขันห้า คือเมื่อจิตอยู่ในวิญญาณนัขันเนี่ยไปรู้อารมณ์ก็จะปรุงแต่งใจไว้ไม่ให้เกิดสุขกเวทนาไม่ให้เกิดทุกขเวทนาแต่ให้เป็นอุเบกขาเวทนาอย่างเดียวเลยรู้อะไรแล้วก็ทำเฉยรู้อะไรแล้วทำเฉยรู้อะไรแล้วเฉยรู้อะไรแล้วเฉยไ้ไม่ให้สุขไม่ให้ทุกขไม่ให้ส่งต่อสัญญาไม่ให้ส่งต่อสังขาร รู้อะไรให้รู้แต่โครงล่างไม่ให้ส่งต่อเวทนาไม่ให้ส่งต่อสัญญาจำได้ไหมรู้ไม่ส่งต่อสังขารคือคิดปุ่งปุ่งคิดว่าอะไรเป็นอะไรรู้คนไม่ให้รู้ว่าเป็นคนให้รู้แต่โครงล่างไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ให้รู้ว่าชื่อเสียงเดียงนามอะไรไม่ให้รู้ว่ารู้จักกันไม่รู้จักกันรู้อะไรก็ตามรู้ต้นไม้รู้สัตว์ไม่ให้รู้ว่าเป็นสัตว์ไม่ให้รู้เป็นอะไรเป็นอะไรไม่รู้ว่าต้นไม้ ไม่รู้เป็นบ้านไม่รู้ว่าเป็นสิ่งของไม่รู้ว่าเป็นรถเป็นอะไรทั้งหมดรู้อย่างรู้รถก็รู้เป็นแต่โครงล่างไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรรถยี่ห้ออะไรเป็นของไขรรู้สัตว์เดินมาก็ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์เป็นเป็นตัวอะไรรู้แต่โครงล่างไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วให้ไปทําแต่ว่างเปล่าเฉยๆอย่างงั้นะสุดท้ายไปปฏิบัติไม่เอาสุขไม่เอาทุกแต่เอาเบกขาเวทนารู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยอย่างนั้น แล้วก็บอกว่าไม่ให้ส่งต่อเวทนาแต่ไอ้เฉยน่นรู้เฉยรู้เฉยน่นมันเป็นมันปอูเบกขาเวทนาแล้วแล้วมันต้องจำได้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเพราะมันธรรมชาติเลยว่ะเราเห็นอะไรปุ๊บมันก็ต้องภากทันทีในใจว่านี่คืออะไรมันต้องภากทันทีอะเห็นอะไรเนี่ยก็ต้องรู้ทันทีว่านี่เป็นเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรใครจะไปตัดตอนได้เพราะว่าตามพระบิรรมกับเจตสิกเน่ ทำงานร่วมกับจิตวิญญาณอคติแล้นเมื่อจิตวิญญาณอคติเน่ยไปรู้อะไรก็ต้องทํางานร่วมกับเจตสิกทันทีเลยคือเวทนาสัญญาสังขารคือมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันเลยเกิดขึ้นมาทันทีแต่ถ้าแยกย่อยเมืนอจเป็นแยกว่าจิตวิญญาณอคติเนี่ยเมื่อไปรู้อารมณ์รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์เนี่ยพอรู้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องส่งต่อเวทนา แล้วก็จิตวิญญาณขาคารดับไปส่งต่อสัญญาแล้วก็จิตวิญญาณอาคารดับไปแล้วก็ส่งต่อสังขารแล้วก็จิตวิญญาณอาคารดับไปแล้วก็ไปรู้อารมณ์มันใหม่แล้วก็ส่งต่อเวทนาถูกใจไม่ถูกใจไปกลางๆส่งต่อสัญญาจําได้ไหมรู้ส่งต่อสังขารคือคิดปรุงปุงคิดเหมือนพูดเหมือนภากติดตองวิเคราะห์วิจารวิจัยอยู่ในใจก็อยู่คนเดียวนี่เป็นกระบวนการของชีวิตที่จะต้องให้ดําเนินไปตามปกติตามธรรมชาติไม่ได้เป็นกิเลสอะไรไม่ได้เป็นกิเลสตัณหา ไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่เขาเป็นเพียงแค่ทุกข์กระสัตคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทนอยู่สภาพเหลือไม่ได้แต่ไม่ได้ทําให้เกิดความยึดบ้านถือมั่นเป็นทุกข์แต่ใจความยึดมั่นถือมั่นหลงยึดม้านถือมั่ น, ม, น, ม, นมันมาติดอยู่ที่จิตเนี่ยจิตเดิมแท้หรือปฏิตนธิวิญญาณที่มันมาเกิดร่วมกับเนี่ยที่มาเกิดร่วมกับสเปิร์มของพ่อซึ่งเป็นธาตุดินไข่ของแม่ซึ่งเป็นธาตุน้ํนา ดินกับน้ำผสมกันแล้วก็แม่ก็หายใจเอาธาตุลมเอาธาตุไฟเข้าไปแล้วกินธาต พ, พืชธาตสัตว์ล้วกินน้ํากินลมหายใจแล้วก็กินความร้อนเข้าไปผสมกันอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาดังนั้นต้องเติมธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟทุกวันตลอดเวลาวันละหลายวันหนึ่งเติมหลายๆครั้งแต่สิ่งที่ไม่ต้องเติมก็คือเนี่ยธาตุรู้ที่ว่างเปล่าเนี่ยไม่ต้องเติมแต่ธาตุรู้ที่มาเกิดบปพติตศติมันรวมกันกับธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ย มันยังไม่เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เพราะมันรวมกับอวิชาคือความหลงยึดหลงยึดในแต่ละพบแต่ละชาติที่เกิดเป็นล่าขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเกิดเป็นล่างใหม่ในพบชาติใดก็ที่จะต้องมีความรู้สึกมีความจําได้หมายรู้มีความคิดปรุงปรุงคิดคิดปรุงเนี่ยมีอารมณ์ต่างๆเนี่ยไปยึดเอาไว้ตัวใหม่ในแต่ละชาติเนี่ยว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปยึด สามีภรรยายดึดลูกยดึดหลานยดึดพ่อแม่พี่น้องยดึดสมบัติภัสฐานแล้วไอ้ตัวขันห้าจริงๆเนี่ยมันเป็นแต่ เ, เ, เ, เพียงกระบวนการทำงานของชีวิตแต่ตัวหลงยึดมันติดอยู่ที่จิตมันอยู่ที่ธาตุเดิมคือจิตรู้หรือธาตุรู้แต่เดิมที่มันเป็นปฏิสุนทิวิญญาณมาเกิดปฏิสุลทิวิญญาณมาเกิดมาเข้าผสมเนี่ยขันห้ามันยังไม่เกิด เพราะอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือผสมกันติดระหว่างสเปิร์มของพ่อกับไข่ของแม่แล้วก็ธาตุดินน้ำลมไฟที่แม่กินเข้าไปสาตพืชสาตสัตว์กินน้ากินอากาศกินลมหายใจเข้าไปมันผสมกันติดแล้วค่อยๆเป็นหยดเลือดเป็นก้อนเลือดโตขึ้นมาโน่นเนี่ยก้อนเลือดหยดเลือดโตขึ้นมาจนสมควรพอสมควรแล้วต้องค่อยกินซัตพืชสาตสัตว์กินน้ากินลมกินอากาศแล้วเนี่ย น้ำเลือดน้ำเหลืองมันก็เข้าเข้าไปทางลกเข้าผสมกับหยดเลือดจนกระทั้งก้อนเลือดมันโตขึ้นปฏิสนธิวิญญาณคือจิตหรือวิญญาณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยซึ่งเป็นธาตุว่างแต่มันยังไม่ว่างที่บริสุทธิ์มันบวกเอาวิชาเนี่ยมันจึงเข้ามาผสมกับธาตุดินน้ำลมไฟแล้วจึงมีนามรูปขึ้นมาเรียกว่าขันห้าขันห้ามันเพิ่งจะมีที่หลังในโลกนี้ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือเนี่ยสเปิร์มของพ่อกับแม่ก็ผสมกันติดแล้วก็กินน้ํากินสักพืชสักสตว์ ก, กินอากาศกินความร้อนก็ไปผสมหยดเลือดมันก็ค่อยโตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งหยดเลือดโตพอสมควรแล้วเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยซึ่งเป็นธาตุรู้แต่มันยังเป็นรู้หลงอยู่บวกอวิชชามันเลยเข้ามาผสมเมื่อ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณปฏิทินที่วิญญาณทิงมาเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดนามรูปเรื่อนามรูปเนี่ยเพื่อจะเกิดที่หลัง่ขันห้าย่อมจะเกิดที่หลังขันห้ามันจึงไม่ได้เป็นกิเลสอะไรและขันห้าไม่ได้เป็นนิพพานรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นนิพพานไม่ได้ไปปฏิบัติที่ขันห้าไม่ได้เอาขันห้าไปนิพพาน อาวิชาต่างหากที่มันติดมากับจิตเดิมแท้ติดมากับปฏิสนธิวิญญาณคือความโง่ความหลงยึดต้านถือมั่นมันติดมาที่จิตเดิมแท้นั่นเองมันไปหลงยึดเอาขันห้ามาเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือมีตัวตนของเราอยู่ในขันห้าส่วนขันห้าไม่ได้เป็นกิเลสเพราะไม่ได้มีความยึดแต่ความยึดมันติดอยู่ที่ปฏิสนธิวิญญาณหรือจิตวิญญาณดังเดิมแท้ๆที่มันติดมา แล้วก็อวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเป็นขันธ์หน้านี่เมื่อเกิดขันธ์หน้าแล้วก็มีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดสลายญาตนะคืออาญาตนะหกสลายญตนะคืออาญตนะหกคือประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจเกิดขึ้นแล้วก็คลอดออกมาเนี่ยจะเป็นพวกเราทั้งหลายคลอดออกมาเป็นเป็นฐานโลกเราโตขึ้นมาจะเป็นพวกเราทั้งหลายแล้วก็มีพัรษะ มีเวทนามีตัณหาอุมีอุปทานพบชาตทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นกระบวนการอันนี้ไอ้ความยึดมันยึดตรงไหนแหะมันไม่ได้ว่าขันห้ามันยึดบอกขันห้ามันเป็นกระบวนการของชีวิตมาจากอวิชชาปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปนี่ขันห้ามันเพิ่งมีมาที่หลังแล้วมันจึงมีอายตนะเพราะขันห้าเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดอายตนะเนี่ยอายตนะ ประตูเพื่อจะมาที่หลังประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะมีประตาประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจกับมีขันห้าวิญญาณขันมันเลยอาศัยเนี่ยประตูทั้งหกคือประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจไปรับรู้เนี่ยรับรู้รูปลบรู้เสียงรับรู้กลิ่นรับรู้รสรับรู้สัมผัสรับรู้ธรรมารมแล้นั้นขันห้ามันจึงไม่ได้เป็นกิเลสและขันห้าไม่ได้เป็นลิพาน ความหลงยึดขันห้าต่งตงางๆที่เป็นอวิชชาความหลงยึดขันห้ามันมาจากไหนมันติดมาที่ปฏิสตนทิวิญญาณนะู้นที่มันเข้ามาผสมแล้วจึงเกิดเป็นขันห้าขึ้นมาดงนั้นดับก็ต้องดับที่อวิชชาคือความหลงยึดความหลงยึดที่ธาตุรู้นะนะั่นแหละธาตุรู้เนี่ยมันจะได้เป็นธาตุว่างเปล่ามีความรู้เป็นความรู้ที่ว่างเปล่าอย่างบริสุทธิ์ เมื่อสิ้นความหลงยึดแล้วขันห้าก็คงทํางานเป็นขันห้าตามปกติธรรมชาติของเขาดําเดิมอยู่แ น, น่เๆเพียงแต่ว่าสิ้นหลงยึดขันห้าแล้วเท่านั้นเองขันห้าก็คงทํางานขันห้าของเขาตามปกติรูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณคงทํางานตามปกติตามธรรมชาติของเขาส่วนธาตุรู้ก็คงยังผสมรวมกับดินน้ําลมไฟ ประกอบมาเป็นขันห้าให้ขันห้าดําเนินไปได้ชีวิตยังคงดําเนินอยู่ได้แต่ธาตุรู้เป็นธาตุรู้ที่สิ้นหลงแล้วคืออาวิชาดับแล้วจึงเรียกว่าผู้รู้ที่สิ้นหลงแล้วสิ้นหลงยึดเอาขันห้าเป็นตัวเราตัวตนของเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือมีตัวเราอยู่ในขันห้ามันก็เลยเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ก็หมายถึงว่าเอาวิชามันดับไปเลยเรียกว่า ธาตุรู้ที่บริสุดซึ่งเป็นคุณสมบัติของธาตุรู้คือความว่างมีแต่ความรู้จะเป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับสรรมชาติหรือจักรวาลส่วนขันห้าคงดําเนินเกิดดับเกิดดับในใจหรือในธาตุรู้ในจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นความว่างดังนั้นเนี่ยในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในทุกขณะปัจจุบันเนี่ยที่วิญญาณขันหัไปรับรู้อะไรแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งต่อเวทนา คือถูกใจไม่ถูกใจไปกลางๆส่งต่อสัญญาจําได้ไหมรู้ส่งต่อสังขารคือความคิดปุงปรุงคิดเนี่ยมันจะปุงยังไงก็ตามก็ปุงอยู่ในใจแต่แท้ซึ่งเป็นความว่างเปล่าเพราะว่าขันห้ามประกอบได้ธาตุธาตุดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยขันห้ามก็เกิดดับอยู่ในธาตุรู้เนี่ยแนะไอ้ค่ะเมื่อดินน้ำลมไฟมาและธาตุรู้ประกอบก็เริ่มเป็นขันห้ามเมื่อเป็นขันห้าแล้วธาตุดินก็คงมีอยู่ คือธาตุดินก็คือของแข็งในร่างกายเราคือผกบนเล็บฟันหนังกระเอกกระดูกตับไตไตน้อยไตใหญ่ยยม้าตับปอดหัวใจส่วนธาตุน้ําก็น้าเลือดน้ำเหลืองน้ําลายน้าปัสสาวะน้ำขันไขมันคข้นน้ำไขมันเหลวต่างๆอันนั้นก็เป็นธาตุน้ําธาตุลมก็คือลมหายใจเข้าออกลมตดลมเลอลมดันขึ้นเบื้องสูงลมดันลงเบื้องล่างนี่ธาตุลมก็ยังอยู่ธาตุไฟก็คือความร้อนความอบอุ่นในร่างกายเรานี้ แล้วก็ธาตุรู้จึงเป็นความว่างก็ยังคงอยู่ธาตุก็คงเป็นธาตุแต่ธาตุมาประกอบกันทำให้ขันเนี่ยมันต้องทำงานอยู่ได้แล้วในขันห้ามันมีอยู่มันมีธาตุอยู่เพราะธาตุมันประกอบกันยังไม่แตกดับขันห้าก็ยังทำงานอยู่ได้มันเป็นอิงอาศัยซึ่งกันและกันคือเพราะธาตุยังไม่แตกออกจากการขันห้าเลยทางานอยู่ได้ขันห้าทำงานอยู่ได้เพราะธาตุ ดินน้ำลมไฟหรือจะเรรวมอากาศาธาตุคือาธาตุว่างและาธาตุรู้ซึ่งเป็นความว่างเช่นเดียวกับอากาศาธาตุมันไปยังประกอบกันอยู่ยังคงอยู่ขันห้ายังดําเนินการอยู่ได้ดังนั้นขันห้าไม่ได้เป็นกิเลสอะไรและขันห้าไม่ได้เป็นนิพพานขันห้าไม่ได้เป็นอวิชชาเราจึงไม่ได้มาปฏิบัติที่ขันห้าไม่ได้ปฏิบัติที่รู้ไม่ได้ปฏิบัติที่เวทนาไม่ใช่มาปฏิบัติเอาที่ ให้มันทําใจให้เป็นอุเบกขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ส่งต่อสัญญาจําได้ใหม่รู้ไม่ส่งต่อสังขารคือความคิดอารมณ์หรือไม่นั้นบางท่านก็ปฏิบัติเอาขันห้ามาปรุงแต่งไล่ดับความคิดไล่ดับอารมณ์ได้ดับความรู้สึกให้มันว่างเปล่าหมดเลยทําให้มันว่างเปล่าซะอย่างนั้นเนี่ยคือพยายามจะทําให้ขันห้าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เกิดมาจากการผสมปรุงแต่งให้มันว่าง ก็ข <K an> ันห้ามันเป็นธรรมชาติที่ผสมของธาตุดินน้ำลมไฟและธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่าเพื่อให้ขันห้ามันดําเนินชีวิตอยู่ได้แต่กลับเอาขันห้ามาปรุงแต่งเนี่ยไปดับไล่ดับความคิดไล่ดับอารมณ์ไล่ดับความรู้สึกให้มันว่างอยู่อย่างนเนี่ยแล้วมันจะว่างได้ยังไงในเมื่อขันห้ามันประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมไฟและธาตุรู้มันมาประกอบการทําให้ขันห้าดําเนินชีวิตอยู่ได้แล้วกลับไปดับชีวิตเสียที่ดําเนินไป ให้บันนิ่งว่างเฉยซะอย่างนั้นแนีะยสุขเวทนาไม่เอาทุกเวทนาไม่เอาแต่จะเอาอุเบกขาเวทนามีความคิดมีอารมณ์มีความจําได้ไหมายรู้ไม่เอาจะดับหมดให้เหลือแต่ความว่างอันเนี้ยการกระทําเช่นนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอวิชชาคือความหลงความโง่มันเพราะอะไรก็เพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าอาวิชามันติดอยู่ที่ไหนอวิชามันติดที่สติสติวิญญาณเนี่ย ติที่ปติสนธิวิญญาณที่มันเข้ามาผสมอวิชาเป็นปจัจจัยเกิดสังขารเนี่ยสังขารเป็นปจัจจัยเกิดวิญญาณเพราะปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมันมีอวิชามาเข้าผสมด้วยแล้วจึงเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึ่ทําให้เกิดขันห้าขันห้ามันเพิ่งจะมีมาที่หลังแต่อวิชามันมาติดมานู่นมันตั้งแต่นู่นตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณนุ่นแต่นั้นไอตัวขันห้ามันเพียงแค่ดําชีวิตที่ดําเนินไปเค่นั้นเอง คงปล่อยให้ชีวิตดําเนินไปส่วนธาตุรู้หรือปฏิสตุนที่วิญญาณสิ้นอวิชาสิ้นความหลงสิ้นความโง่แล้วมันก็ไม่มีใครไปยึดขันห้าแล้วไม่ไปหลงเอาขันห้าไปปรุงแต่งทําให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันว่างไปดับอะไรให้มันว่างไปอย่างนั้นเน่ยพอมันสิ้นความหลงแล้วขันห้าฮู้ดาเนินข้อต่อไปตามชีวิตตามปกติแต่มันสิ้นไปตัวเดียวคือสิ้นหลงยึด สิ Because, to to so oh ้นไปหลงปรุงแต่งท okay. okay? you ี่ผิดผ really ิดปล่อยให้คันห้าดำเนินไปตามชีวิตที่ปกติส่วนธาตุรู้ก็เป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าที่สิ้นหลงแล้วอาวิชามันติดอยู่กับธาตุรู้เมื่ออวิชาดับคือความโง่มันดับไปไอ้ธาตุรู้มันก็คงเป็นธาตุรู้ของมันอยู่ดังเดิมเนี่ยมันดับไปเฉพาะอวิชาที่ติดกับธาตุรู้เมื่อวิชาดับไปคือความโง่ดับไปความหลงดับไปธาตุรู้มันก็เลยมันก็เลยเป็นธาตุรู้ของมันที่บริสุทธิ์คือเป็นความรู้แจ้งรู้พ้น เป็นความรู้ความจริงรู้แจ้งรู้พ้นรู้สิ้นยึดเขาจึงเรียกว่าพุทธะเรียกธาตรู้ว่ า, าออพุทธะเพราะพุทธะแปลว่าผู้รู้แจ้งรู้จริงรู้สิ้นหลงสิ้นยึดถือแล้วเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ตื่นก็คือตื่นจากความหลงแล้วเป็นผู้เบิกบานคือไม่หลงยึดอะไรเอามากดทับใจิตใจของตัวเองให้เป็นความทุกข์ความเร้าหมอง พุทธะก็คือจิตเดิมแท้ๆหรือธาตุรู้ดั้งเดิมแท้ๆหรือปฏิสตวิวิญญาณนี่แนที่มาเกิดแล้วมันสิ้นอวิชชาไปจึงเป็นพุทธะพุทธะค เ, เป็นพุทธะอยู่อย่างนั้นพุทธะไม่ได้เป็นนิพพานธาตุรู้เป็นเพียงแค่ธาตุรู้ตามธรรมชาติที่องแต่งมีปฏิกิริยามีความรู้สึกนกิจอารมณ์ไม่ได้ ธาตุรู้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันธ์สัตย์ฐานใดๆเลยมีแต่ความรู้พ้นรู้จริงรู้แจ้งรู้สิ้นยึดมั่นถือมั่นมีแต่ความรู้ตัวตนของพุทธะตัวตนของธาตุรู้ไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันธ์สันยฐานใดๆไม่มีดวงไม่มีแสงสว่างไม่มีสีสันใดๆมีแต่ความรู้ไม่สามารถคิดนึกตึกตอมปรุงแต่งได้ไม่มีการเกิดไม่มีการดับมีแต่ความรู้ ที่เป็นความว่างเปล่าเช่นเดียวกับความว่างธรรมชาติธาตรู้หรือพุทธะหรือใจหรือจิตตั้งเดิมแท้ๆที่เป็นความรู้ที่ว่างเปล่าเหมือนธรรมชาตินี้ไม่ได้เป็นนิพพานไม่ได้เป็นนิพพานขันห้าก็ไม่ได้เป็นนิพพานแต่ดับไปอวิชชาที่ดับไปที่ติดกับธาตรู้ดับไป สิ้นอวิชชาคือสิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นในขันห้าและผู้สิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นในธาตุรู้หรือจิตเดิมแท้หรือใจแท้แท้ซึ่งเป็นความว่างเพราะอวิชชามันคือผู้หลงยึดมั่นถือมั่นคือหลงยึดมั่นทั้งขันห้าและหลงยึดมั่นถือมั่นทั้งตัวเองก็คือใจหรือจิตดั้งเดิมแท้แท้ซึ่งเป็นความว่างหลงยึดมั่นถือมั่นจะให้ใจว่าง ไม่ยึดมั่นขันห้าแต่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นใจจะให้ว่างจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆไม่ใช่ขันห้าหลวงตามหาบัวเทศไว้ชัดเจนมากว่าจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆไม่ใช่ขันห้าอยู่นอกจากขันห้าแตกต่างออกมาจากขันห้าไม่ยึดถือขันห้าแล้วยังมายึดถือใจจะให้ว่างเป็นอวิชชา ต้องสิ้นยึดถือใจจะให้ว่างอีกทีหนึ่งจึงพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์นี่เนะี่ยก็คือเพราะสิ้นความยึดอะไรมันจึงไม่มีความจึงสิ้นกิเลสและเป็นความทุกข์จะยังหลงยึดอยู่ก็เป็นอวิชชาทีติดมากับจิต ด, ดั้งเดิมแท้มันก็ยังเป็นกิเลสเป็นความทุกข์อยู่ยังไม่สามารถสิ้นกิเลสและสิ้นทุกข์ไม่สิ้นกิเลสไม่สิ้นทุกข์ก็เพราะว่ายัางไม่สิ้นอวิชชาคือความหลงยึดมา้างถือมา้างที่ติดมากับจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้เลยเป็นความรู้ที่ เป็นความรู้แจ้งไม่ได้ยังไม่รู้จริงรู้นจากความยึดมั่นถือมัน่นจิตตั้งเดิมทแท้ๆหรือใจดั้งเดิมทแท้ๆที่เป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าไม่ใช่ขันห้าที่หลวงตา ม, มหาภูวเทพไว้ชัดมากจิตตั้งเดิมทแท้ๆหรือใจดั้งเดิมทแท้ๆนอกขันห้าเมื่อสิ้นยึดมั่นถือม่นในขันห้าแล้วยังไม่บรรลุนิพพาน ถ้ามายึดใจจะให้ว่างต้องสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นใจจะให้ว่างเมื่อสิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นอาวิชาจึงดับแท้ๆเอาวิชาดับเพราะนั่นแหละผู้หลงยึดมั่นถือมั่นดับเมื่อสิ้นหลงยึดมั่นถือมั่นกิเลสก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีเขาสมมุติชื่อเรียกว่านิพพานนิพพานมันจึงไม่ใช่เมืองไม่ใช่เป็นสภาวะทำ palette, อะไรที่เป็นความว่างหรือเป็นความนิ่งเฉย และมีตัวเราหรือมีขันห้าหรือมีอะไรเนี่ยไปถึงนิพพานไม่มีอะไรจะไปถึงนิพพานไม่มีนิพพานเป็นสภาวะเป็นเมืองมีแต่อวิชชาที่ติดมากับธาตุรู้เนี่ยหรือจิตดั้งเดิมแท้แท้หรือปฏิสตุนทิวิญญาเนี่ยมันดับไปเท่านั้นเองเมื่ออวิชชาที่ติดมากับจิตดั้งเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้หรือปฏิสตุิวิญญาหรือวิญญาณธาตุแท้เนี่ย มันดับไปขันห้ามยังไม่แตกไม่ดับเพราะยังไม่ถึงแก่ความตายรอจนกว่าสิ้นอายุขยัยขันห้ามมันถึงดับลงไปเมื่อขันห้าดับไปมันก็เหลือแต่ธาตุรู้ซึ่งเป็นความว่างเปล่าที่สิ้นอวิชชาแล้วก็จึงเรียกว่าพุทธะมันจึงเหลือแต่พุทธะหรือธาตุรู้ไม่ใช่ว่าตัวตนของเราเป็นพุทธะพุทธะมีเป็นตัวตนของเรามีตัวตนของเราอยู่ในพุทธะ อุทาเป็นธาตุรู้เป็นแต่ความรู้ที่ว่างเปล่าเป็นอมะตะแต่เนื่องจากมีความว่างคุณสมบัติเข้าเป็นความว่างเช่นเดียวกับหุมว่างจากในวนันเมื่อขันหน้าแตกดับคือรูปเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณดับลงอุทาหรือจิตดังเดิมแต่แทหรือใจดั้งเดิมแท้แซึ่งเป็นความว่างรู้ตามมหาบวเรียกว่าธรรมธาตุคือธาตุแห่งธรรมที่ทสิ้นความปรุงแต่ง เพราะธรรมชาติไม er or ่อย ok ู่สองธรรมชาติคือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่สามารถปรุงแต่งได้เรียกว่าวิสังขารหรืออสังขตธาตุธรรมธาตุนี้ก็คือเป็นธรรมธาตุที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เรียกว่าวิสังขารหรืออสังขตธาตุก็กับฮะเกลือนหายไปคืนหายไปเป็นความเช่นคืนหายไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างจักรวาลแต่ความว่างจักรวาลไม่มีความรู้ แต่ธาตุรู้เนี่ยหรือธรรมาธาตุเนี่ยคืนหายไปในความว่าจั ก, กรวาลซึ่งแต่มีความรู้จะเปรียบเหมือนกับน้ำเนี่ยที่เขากั่นมาขายในขวดเนี่ยเมื่อเป็นน้ำที่บริสุทธิ์แล้วที่นวิชาแล้วเมื่อเทรวมลงไปในน้ำทะเลน้ำนั้นก็คืนหายไปในน้ำทะเลแต่น้ำทะเลเปรียบเหมือนความว่างที่ไม่มีความรู้ แต่น้ําที่เทไปในขวดที่เป็นความเป็นความบริสุทธิ์แล้วที่อวิชชาดับแล้วเป็นกลืนหายเป็นน้ําทะเลแต่เป็นความรู้อยู่ที่ใดมีความว่างที่นั่นย่อมมีความรู้ในหนังวุฒิเจ้ามหาสัตตดาโลกตอนสุดท้ายตอนจบที่พานนไปเดินไปที่ชายหาดของทะเล แล้วก็มีใบโพพัดลอยม า, มามาโดนตัวมามาแปะอยู่ที่ตัวของพระอนุพ์พระอนนหยิบใบโพขึ้นมาก็มีเสียงพุทธเจ้าดังว่าอา น, นุ์ไม่ต้องเสียใจไปหรอกตถาคตไม่ไม่ได้เกิดไม่ได้ตายตถาคตหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างเป็นหนึ่งเดียวกับแดด แสงแดดเป็นหนึ่งเดียวกับน้าเป็นหนึ่งเดียวกับลมเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินที่เจ้าเดินอยู่อยู่ในทุกที่อยู่ในร่างกายของเจ้าอยู่ในจิตใจของอยู่ในร่างกายอยู่ในจิตใจของทั้งหมดที่ใดมีความว่างที่นั่นมีธาตุรู้มีจิต ด, ดันเดิบแท้ซึ่งเป็นความรู้พลหรือพุทธะมีอยู่ในทุกที่และพุทธะนี <uh. ่มีอยู filling, <S <S ่แล้วในพระพุทธเจ้า เป็นาธาตุรู้ที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าในพระอรหันต์อยู่ในปุตตชนอยู่ในสัตจจะฌานอยู่ในทุกสรรพสัตย์ยังเวียนว่ายตายเกิดมีาธาตุรู้อยู่แล้วที่ประสบอยู่กับดินน้ำลมไฟแต่เนื่องจากาธาตุรู้ที่อยู่ในปุตตชนและในสรรพสัตย์ต่างหลายที่ไม่ใช่พุทธเจ้าพระอรหันต์ยังเป็นาธาตุรู้หลงอยู่หลงยึดเอาสังขารที่ปรุงแต่งในแต่ละชาติเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา หรือมีตัวเราอยู่ในขันห้าที่ปุงแต่งในแต่ละชาติหรือแต่ละร่างที่เกิดมาในแต่ละชาติก็ไปยึดเอาว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือมีตัวเราอยู่ในร่างนั้นจนกว่าจะสิ้นอวิชชาธาตุรู้ที่มีอยู่ในในทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายก็กลายเป็นรู้แจ้งรู้พ้นรู้จริงรู้สิ้น ความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าพุทธะไปเป็นหนึ่งเดียวกับหมดเลยกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าพุทธะพุทธเจ้อออาพุทธะองอราันต้หมดไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างอันนี้แน่เป็นสมาธิทิเป็นปัญญาเห็นชอบซะก่อนในอริยมรรคในองค์แปดทำไมพุทธเจ้าตัดอริยมรรคในองค์แปดขึ้นต้นด้วยสมาธิทิ ถ้าท่านปฏิบัติท่านไม่มีความรู้แจ้งไม่มีความรู้รู้จริงอย่างชัดเจนในสมัมมาทิฏฐิในธรรมชาติที่มันเป็นอยู่พุทธเจ้ามาตัดสรู้ธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วในธรรมชาติไม่ใช่พุทธเจ้ามาตัดสรู้เองที่เป็นของใหม่แต่ธรรมชาติมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติพุทธเจ้ามาตัดสรู้คือมารู้แจ้งในความจริงของธรรมชาติที่มีอยู่ ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิการเดินองค์มรรคหรือการปฏิบัติอย่างไรเราจะปฏิบัติผิดทางจากธรรมชาติจากคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเราจะเดินในทางของกิเลสไม่ได้เดินทางของความพ้นทุกข์เดยทขงความจริงอริยมรรคมันต้องขึ้นโดยปัญญาเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิถ้าเราเดินทางเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่แตกต่างจากคําสอนอพระพเจ้าต่อให้เรามี มาข้อที่สองคือคิดชอบข้อต่อๆไปคิดชอบพูดชอบกระทําชอบประกอบอาชีพชอบเพียรชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบเพราะปัญญาเห็นชอบเป็นสมาธิติทุกอันเลเดินชอบหมดคือการคิดก็ชอบพูดก็ชอบกระทาก็ชอบประกอบความเพียรก็ชอบประกอบอาชีพชอบก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็มีอาชีพ อาชีพที่กระทำโดยสุจริตอาชีพทางใจก็มุ่งสู่ความมรรคผลนิพพานมีความเพลียนก็เปลี่ยนชอบเพื่อความรู้แจง้งรู้จริงรู้พ้นรู้สิ้นยึดสมาธิก็เสมมาที่เพื่อความสิ้นยึดมั่นถือมัน่นสติก็เป็นสติเพื่อความสิ้นความยึดมัน่นลงยึดมั่นถือมัน่นดังนั้นเวลาเราจะปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติสำนักไหนมาก็ต้องอา่านใจตัวเองให้ขาดว่า เราปฏิบัติเพื่อจะเอาหรือปฏิบัติเพื่อจะสิ้นความหลงยึดมั่นถือม we ั่นหรือปฏิบัต mm. ิเพื <So. S 1> <ut> ่อจะเอาตัวเราเอาตัวเราไปเอาอะไรแต่ถ้าเราปฏิบัติเพื่อจะเอาตัวเราไปเอาอะไรนี่มันเดินทางผิดอริยมรรคหมะอ๋ออริยมรรคคือปฏิบัติเพื่อสิ้นอวิชชาที่ติดมากับจิตตั้งเดินประแทรหรอใจดั้งเดินประแตรคือสิ้นผู้จะเอา สิ้นตัวเราที่จะเอาจะได้จะเป็นสิ้นตัวเราที่ไปมีกิเลสตัณหาต่อสิ่งใดไปยึดมั่นถือมั่นสิ้นความหลงหยึดมั่นถือมั่นก็สิ้นกิเลสสิ้นความทุกข์เขาเรียกว่านิพพานไม่มีสภาวะหรือเมืองอะไรที่เป็นนิพพานไม่มีตัวเราไปถึงพระนิพพาน ถ้ามีความรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ยังเป็นอวิชชาอยู่ยังไม่สิ้นอวิชชาไม่สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นไม่มีทางเป็นนิพพานได้ดังนั้นต้องเข้าใจให้ชัดเจนอย่างนี้สักก่อนในการปฏิบัติต้องเป็นสมาธิจิตพูดกันให้ชัดเจนสะกก่อนแต่ที่เหลือท่านจะปฏิบัติอย่างไรก็ได้ตามกลับวิธีของท่านแต่ถ้าต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดว่าท่านปฏิบัติไปได้วยกิเลสหรือ ป, ปฏิบัติปฏิบัติไปเพื่อ สิ้นอวิชชาสิ้นกิเลสสิ้นความเดือดร้อน